เอาความเพียรเนี่ยคือขุดเอาดินออกความเพียรเนี่ยเหมือนอัตาปีเหมือนก็คือเสียมคือจอบคือมีดแฉลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คือคือความเพียรเอาดินออกอันนั้นคือตัวอาตาปีเครื่องมือนะอาตาปีเป็นเครื่องมือขุดลงไปเมื่อขุดได้แล้วเอาอะไรเอาสติสัมปชัญญะมาส่องดูว่าลากไหนมันไปทางไหนลากนี้มันลึกแค่ไหนนี่คือสติสัญญะเริ่มเลือกว่ามัน งัดดูมันติดรากไหนบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกสติสัญญาเป็นตัวตัวส่องถ้าพอเจอแล้วมันติดรากนี้ปับ๊บอ๋อเขาตัดด้วยปัญญาปัญญาก็เหมือนมีดเรามีมีดอันหนึ่งใช่ไหมพ อ, อใช้ไม้กระเดื่องงัดซ้ายงัดขวาเหมือนสติสัญญางัดออกมาเห็นก็ตัดเพราะฉะนั้นในคุณธรรมสามประการ4ประการนั่นเองทิ้งไม่ได้เลยก็คือตัวสติสัมปชัญญะ สมาธิปัญญาทำสี่ชุดนี่นะชุดของสติชุดของสัมพยายาัญญะชุดของสมาธิชุดของปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดในแปดหมืี่พันพระธรรมขันธ์นี่นะใช้แค่สี่ตัวเนี่ยนะแต่มีอาตาปีเป็นตัวริเริ่มคือลงมือทําถ้าหากว่าทำสี่ตัวเนี่ยทั้งสติสัมปัญญะสมาธิปัญญาถ้าไม่มีอาตาปีเนี่ยมันก็ทํางานอะไรไม่ได้เหมือนเครื่องมือวางอยู่อยู่นั้นนะ มีดผ้าละเหล่าวางมันไปทำงานเองไม่เป็นอาตาปีหมายถึงว่าเราเนี่ยต้อ ง, องไปหยิบมือของเราเนี่ยต้องไปหยิบเครื่องมือพวกนั้นขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราสวด อ, อาตาปีสัมปชัโนสติมาวินัยยโลเกอวิชาถุมนาสังว่าเราใช้ความลงมือขยันลงมือทำํำด้วยใช้สัมปชัญญะและใช้สติเข้าไปทั้งรากทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่สองลาก คือหนึ่งรากแก้วสองรากฝอยอันนี้รากแก้วมีกี่รากเนี่ยนี่รากแก้วมีรากนี้รากใหญ่ๆนี่นะรากแก้วนี่อันนี้รากฝอยทั้งนั้นทั้งหมดจะมีกี่ร้อกี่พันก็ถือว่าเป็นรากฝอยเพราะฉะนั้นรากมันมีสองรากในจิตในใจของเราก็มีสองรากที่เราต้องตัดรากแก้วคือความพอใจและความไม่พอใจนะรากแก้วคือความพอใจรากฝอยคือความไม่พอใจ รากแก้วเรียกว่าอภิชารากฝอยเรียกว่าธูมณัตแต่ว่าตัวอภิชาโทมณัตแยกไปกี่ร้อยกี่พันลากก็ถือว่าไปจากสองรากเนี่ยรากแก้วรากหนึ่งรากฝอยรากหนึ่งแต่ต้นไม้บางต้นไม้มันมีแต่รากฝอยไม่มีรากแก้วเช่นต้นเพร้าวต้นหมากอ่าพวกนี้ไม่รดนไผ่ต้นไร่พวกเนี่ยมันมีแต่รากฝอยไม่มีรากแก้วแต่ว่ารากฝอยมันเยอะมันเลยแน่งกว่ารากแก้วอีก ลมพัดต้นไม้ที่มีรากแก้วใหญ่ๆเนี่ยล้มและในน่าแต่ว่าต้นไผ่ต้นพว้าต้นหมากต้นไร่เนี่ยไม่ไม่ล้มนะถ้าพอดีพอไร้ไม่ลม้มเพราะนั้นตัวรากฝอยจึงสำคัญเพราะว่ามันกินไปกว้างแล้วก็มันกินไปลึกแล้วมันเยอะอเพราะนั้นรากฝอยคือความคิดเล็กคิดน้อยของเราแหละ ค, หคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนิดคิดนี่หน่อ ย, ยไปรากฝอยทั้งนั้นเ ลักแก้วคือความคิดใหญ่ๆค่าสัตว์คิดอยากจะลกักทรัพย์คิดอยากจะพฤติผิดในการมคิดอยากจะพูดปดพูดโกโหกหลอกลวงคิดอยากจะกินจะเสพสนุกสนานอันนี้เป็นเรื่องลากแก้วเขามันนะลากฝอยก็คืออารมณ์ต่างๆอารมณ์รุนอารมณ์มักอารมณ์ชอบอารมณ์ช่างอารมณ์ ห, หงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์สนุกสนานอะไรแต่เป็นลักฝอยทั้งหมดก็ประกอบด้วยเนี่ยเราก็ต้องถอนตัดทุกเนี่ย ตัดทั้งลักแก้วลักขอยไปเล่อยก็ใช้อะไรตัดก็ใช้ปัญญาตัดปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิให้สมดุลกันแล้วมันก็เกิดเป็นปัญญาแล้วก็มาตัดพวกนี้เรื่อยๆอาตาปีก็เหมือนเสียมเหมือนอจอบที่มาขุดเอาใ้ออกนะแล้วก็สมาธาิสมาธิก็เหมือนกับว่าไม้เนี่ยช่วยกันงัด ไม้แข็งแข็งงัดขึ้นมาใช้เจาะเสียมงัดขึ้นมาเมื่อนันมันไม่มีแรงนะเพราะนั้นตัวเนี้ยจึงเป็นตัวอุปกรณ์การอธิบายได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะไอสิ่งที่อธิบายเนี่ยมันเป็นปรมาั้งหมดฉะนั้นเองตัวตัวนี้เราก็บางล่ากก็แห้งแลนะ้เนี่ยตัวนี้ล่กแห้งไม่สามารถจะนี้ได้แล้วไม่สามารถจะดูดอะไรได้แล้วแห้งบางรากก็แห้ ง, า ง, าหงตายไปมีไม้กีเลสบางตัวมันแห้งไป บางคนแก่มาแล้วก็ราคาก็แห้งแล้วใช่ไหมอามา่ไม่ไม่สนุกสนานแล้วแก่มาแล้วทศก็เริ่มเบาลงแก่มาแล้วโมหะเพิ่มขึ้นโทศโมหะเพิ่มขึ้นแต่ราคาเบาลงแก่แล้วแต่คนหนุ่มคนสาวกล่วว่าราคาเพิ่มขึ้นอความโกรธก็เพิ่มขึ้นความหลงก็มากขึ้นบางรากก็ตายไปไอ้ตรวไหนที่มันแก่มัมนไม่ได้แต่ว่าความทุก อันนี้รากของความทุกข์เป็นสมูทัยนะตัวนี้ั้าหมดเร่ยงสมู ท, ทยัยพวกรากเนี่ยเป็นสมู ท, ทยัยและสมูทัยก่อให้เกิดอะไรคือต้นไม้ที่มันงอกขึ้นคือทุกข์มันงอกขึ้นเรื่อยๆอันนี้ทุกข์อันนี้คือสมู ท, ทยัยการที่เราเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาอันนั้นเป็นตัวมัดมาตัดพวกนี้พอตัดขาดได้เรียกว่านิโรธนะทุกข์คือตัวนี้คือต้นที่มันเกิด ต้นที่มันเกิดเรื่อยๆเนี่ยพ่อใหญ่เสียบสายถุงไหมสูงนะพ่อใหญ่หลุยเสียบสายถูกสัตว์ลุสีแดงนะเสียบลูยสีแดงอยนะ่างนี้ในใหม่นะเนี่ยเร็วต้นในต้นของทุกแล้วก็มีสมุทัยคือตัวเหตุเกิดทุกแต่แก่อะไรอวิชาตันหาประทานกรรมเนี่ยเป็นสมุทัยเหตุเกิดทุกมันมีทุกและเหตุเกิดทุกเรียกว่ารูปใช่ไหมอันนี้เรียกว่ารูปนะทีนี้แล้วก็ เราเห็นว่าตราบใดยังมีทุกข์หระเหตุเกิดทุกข์อยู่มันก็ชีวิตนี้ไม่ค่อยสบายชีวิตนี้กระตกตําชีวิต น, นี่เศร้ามองชีวิตนี่ไร้ค่าไรราคาไรความหมายอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรเราก็มาต้องการที่จะเอาทุกข์ออกบ้างให้มันรู้สึกว่าเออมีความสบายทํำยังไงก็เริ่มมากําหนดรู้กําหนดรู้ทุกกําหนดรู้ต้นไม้เนี่ยเออต้นไม้ต้นนี้ยมันใหญ่ขนาดนี้จะเอาอะไรตัดเออต้นไม้ต้นนี้มัน เอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยทุกต้องกําหนดรู้ต้องมารู้จักเพราะพวกนี้เราไม่เห็นอะ่ะพวกมันอยู่ในดินใช่ไหมแต่มันเห็นต่อขึ้นมาก่อนเนี่ยตอเนี่ยคือทุกกําหนดต้องกําหนดรู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อว่ามันมาจากไหนอ๋อมันจะต้องมีรากเพื่อรู้อย่างนี้มันมากก็เริ่มหารากเพรมันก็ต้องลงมือด้วยอาตาปีขุดแล้วก็มีจอบมีเสียมมาขุดเอาดินออกนี่เป็นอาตาปีแล้วสติมา สัมปชานูสัมปชนันโนิมาก็เริ่มมองหารากมันมีรากกี่รากรากแก้วเท่าไหร่รากฝอยเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวสำรวจคือแสงสว่างสายตาแล้วพอตั้งใจความตั้งใจที่จะขุดจะคน้นจะกลนจะตัดเป็นสมาธิพอไปเจอแล้วรากแต่และรากก็เริ่มตัดเป็นปัญญาตัดไปเพราะนั้นสตสญญิสมาธิปัญญาเป็นมรรค พอมักมาครบแล้วก็เกิดนิโรธคือตัดขาดนะนิโรธแปล ว, ว่าตัดขาดงั้นก็นทั้งหมดนี้มันก็เลยทําให้ทุกก็ตายไปต้นไม้นี่ก็ตายไปรากนี่ก็ขาดจากดินจะไปปลูกเป็นไหมแบบนี้ไว้ปลูกต่อไปเป็นไหมแต่ถ้าขุดมาใหม่ๆไปปลูกเนี่ยเป็นๆ น, นะแต่เอาเมีนเอามามาแตกตตกแดดไว้หลายวันแล้ว กลัวมันจะไปเกิดอีกกันนะเพราะขุดขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมาอยู่วัดหลายวันกลับไปบ้านเหมือนกับเอาเอาต้นสูตรไปปลูกต่ออีกแล้วทีเนี้มันก็งอกงามขึ้นมาใหม่อีกเพราะแนวทางที่ดีที่สุดให้ออกมาเอาไปตากแดด น, นานๆหน่อยคือออกมาบวชสักระยะหนึ่งออกมาบวชสักพรรษาหนึ่งให้มันห่างน้ําห่างปุยนะ๋ยเนี่ยมันจะได้ไม่งอกขึ้นอีกที่กลับไปบ้านก็ไปทําตามความอยากเหมือนเดิมมันก็เหมือนเอา ลากครึ่งคึ่งขุดมานี่นะเอาไปปลูกเอาไปลงดินต่อเมื่อกี้มาเดินออกไปที่ไอ้ทุ่งยาที่เขาตัดขนาดท่อนสูงที่เขาตัดมากองไว้นะต้นมันยังงอกขึ้นมาเลยทั้งๆทงี่มันมีไม่ากแล้วนะพราะต้นมันยังสดยังดิบอยู่มันก็ยังมีงอกต้นใหม่ขึ้นมาตามท่อนสูงอันนี้ก็เหมือนกันนะนั้นๆเวลาเรากลับไปบ้านนี่ก็อย่าเพิ่งไปทําตามความอยากค่อยใช้สติใช้สัพผัสยะ กำกับไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนว่าเราเอาไปตากแดดต่อะไรที่เราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สติสัญยาไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับเอาลากนี่ไปตากแด ด, าแดดมันจะเผาแดดมันจะเผาไม่ใช่ว่าจะมาบวชหมดนะคือหมายเขาว่าไปอยู่กับบ้านกับเรือนก็ได้แต่ว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความอยากด้วยความเคยชินเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบใช้สติสมาธิทุกย่างก้าว จะเดินไปไหนจะทำอะไรจะหยิบหยับจับช่วยอะไรมีการระมัดระวงังมีการตามรู้ก่อนนลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาทุสมุทัยพึ่งถอนขึ้นมาไปตากแดดมันก็ตายได้เหมือนกันแต่มีใครบ้างจะทำได้นี่นะกลับไปแล้วเนี่ยการจะพูดจะทำจะคิดมีการระมัดระวงังลงมือลงมือพูดลงมือทำลงมือคิดทำอย่างรู้เนื้อรู้ตัวทาอย่างอ่า ตามรู้ตั้งใจรู้ทำได้ไหมถ้าตั้งใจทำได้นะใช่ไหมถ้าตั้งใจทำได้เว้นแต่ไม่ตั้งใจถามว่าเพราะอะไรจึงไม่ตั้งใจที่จะทำเพราะมันไม่ทันใจมันไม่ทันความอยากนะเพราะมันเูความเคยชินแยากจะ ป, ปุ๊บไปเลยให้มันเนยอย่าบัวกระย่องกรแย่งตามรู้ทีละนิดไปเนี่ยไม่ได้ไม่ทันใจว่างั้นอันนี้คืออุปสรรคของมัน คีความรีบร้อนความอยากมันเร่งร้าเรามันทำให้เราไม่สามารถที่จะประคับประคองได้ตลอดรอดฟังตอนแรกๆที่ออกไปใหม่ๆก็ระวังอยู่เนาะตั้งใจอย่างดีแล้วพอนานวันเข้านานวันเข้าชักหลุดไปเรื่อยๆลุยยไปเรื่อยๆลุยลุยไปอันนั้นทีกลับไปสู่ที่เดิมอีกนะแต่ว่ามีคนบางคนมีคนบางคนออกไปตั้งใจทำเอาไปตั้งใจทำโดยที่ไม่ปล่อยให้หลุดให้ลุย อันนี้คือปณมัติธรรมทั้งหมดที่นำมาเรื่องอริย ส, สัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธตัดแล้วก็มรคคือความเพียรพยายามทั้งหมดที่เราพยายมตั้แต่หาเครื่องไม้เครื่องมือมาพยายามลงมือขุดพยายามหาเพื่อนมาช่วยกันพยายามที่จะงัดจะไงจ ะ, จะตัดตรงนั้นตรงนี้อันนี้เขาเรียวกว่าเป็นตัวสมุเป็นตัวมรค พอเอานี้ออกมาได้ก็ถือว่าเป็นนิโรธละมันต้องตายแน่นอนละอออกมาได้นี้นิโรธคือหมายความว่ามันต้องตายมันต้องดับละไอ้ตอนนี้ต้องดับถ้าไม่ดับก็หมายความว่าเราทําผิดสูตรนะอันนี้คือตัวปิิศนาธรรม เทียมาเลยพอขุดออกมาได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขายจะเอาไปทิ้งหลวงพ่อค่อยๆเอาไปทิ้งอย่างนเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปล้างน้ําก่อนเพราะงันน้ำออกมายากเหลือเกินนะ่ะนะน้ำลากเยอะมากควรจะออกมาได้เงาใครเงาไหลายใครพังอะ่ะเพราะนั้นจะทิ้งไม่ได้เพราะงั้ต้องเป็นประโยชน์เอาอุปกรณ์สอนทำอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อก็เลยบอกให้ตาไข่ออกมาล้างน้ำแล้วมามัดตากไว้สี่ห้าวันวนั้นนี่เพิ่งเอามาก็าสะอาดแล้วไม่มีดินไม่มีอะไรอติดมา ใครจะเอาไปแกะเป็นผ้าแขวนคอก็ได้นีน่นี่จะเอาไปเป็นดองยาก็ได้เป็นยาเลยนี่นะต้องไม่แน่นะหลวงพ่าจะหิ้วขึ้นเครื่องไปเป็นอุปกรณ์การสอนทำไปเรื่อยๆก็ได้เนาะอแล้วก็ไปขัดลงละขัดเงาอย่างดีเลยนะขูบดเศษจะทําให้ก็ได้จากปณรณศนรทำอันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างมีอย่างอื่นไหมที่จะเพิ่มเติมให้ที่หลวงพ่ออธิบายทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์อันนี้มันต้นเก่ามันใหญ่ต้นแมยมันนี่มันตายไปก่อนนไะง อ่ต้นแม่มันตายไป ห, หลูกมันก็งอกขึ้นมาหนีเลยมีแต่ yes, yes, yes, yes. <S <S แต้นมันบ่บ่มีสมูทัยบ่มีสมูทัยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องมีสมูทัยทุกมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยต้องมีสมูทัยถ้าหากว่าทุกที่ไม่มีสมูทัยอันนั้นก็ไม่ใช่ทุกในพุทธศาสนาสมูทัยก็คือรากมันไงอ่ารากถ้าสมูทัยทางด้านจิตใจทางนามธรรมก็ได้แก่ตัณหาสามไงกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานั่นเป็นสมูทัยก็คืออันเนี้ย ตันหาสามแต่หลวงพ่อบอกว่าสองรากใช่ไหมรากแก้วกับรากฝอยถ้าเป็นสามรากก็คือรากแก้วอ่าแล้วก็รากกลางแล้วก็รากฝอยนะแบ่งเป่งละเอียดรากแก้วรากระดับกลางแล้วก็รากฝอยวิภาวดัญหามันก็รากฝอยนี่เป็นสมุทยัยถ้าเราไม่มีตันหาเนี่ยเราจะทุกข์เราจะมีไหมทุกข์เราก็ไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยหมายถ้าไม่มีไม่มีสมุทัยทุกข์ก็ไม่เกิด พ่อใหญ่บอกว่าเออต้นไม้เกิดโดยที่ไม่ต้องมีรากได้ไหมเอไม่มีนะวะไม่มีถึงมีก็ไม่ใช่ต้นไม้ละพอมีแต่ลากแก้วถ้ามีมีรากฝอยใช่ไหมอ๋อต้นไม้ถ้าไม่มีรากฝอยเลยรากฝอยมันเกิดก่อนรากแก้วนะก่อนที่จะมีรากแก้วมีมารักฝอยก่อนใช่ไหมใครเคยปลูกต้นไม้บ้างต้องมีรากฝอยก่อนเนาะแล้วรากฝอยมันโตเข้าแล้วเขามันกลายเป็นรากแก้ว แต่ต้นไม้บางประเภทก็ไม่มีรากแก้วนะมีแต่รากฝอยนะคือรากออกจากข้างข้างรากแก้วมันหมายถึงรากที่อย่างตรงลงไปเนาะแต่รากฝอยนี่มันรากออกข้างๆ้างใหญ่ขนาดก็จะไปรากฝอยแต่เราจะเรียกว่ารากแก้วแต่เมื่อเรข้างข้างก็ไม่ไม่ชิงเนาะเพราะรากแก้วเรืงหมายถึงรากที่อย่างตรงน่ะอันนี้มันอาจจะไม่ใช่อ่าไม้ยืนต้นนานนะเพราะมันมีรากแก้วเป็นหลักแต่มันมีรากแก้วประเภทเป็นกิ่งเล็กๆก็คือว่าไป็นรากฝอยก็ได้มันโตเท่านั้นเองนะ อ่าพ่อใหญ่ถามว่าทุกโดยที่ไม่มีสมูทไทยได้ไหมไม่ได้ผิดหลักอผิดหลักธรรมชาติอ้าวคาถามข้อต่อไปไม่มีนะแสดงว่าบรรลุทำ ไ, ได้หมดแล้วเลยว่าเข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรข้อปรูจะถามยังไองอีกเออเนื้อประมู่แลยอนะ่ะเนี่ยก็คิดว่าลุงพ่อคงจะได้ใช้งานมันนานอยู่มันเอาเลือดออกจากหัวไม่ตีนคนหลายคนแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยเอมันเอาเลือดออกหัวหลายคนแล้ว เพระนั้นมึงก็เลยต้งถูกงัตถูกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ออกมานี่พวกเราสามสิสี่ชูไม่รู้มันจะโดนกี่คนว่างั้นแหรอต้องงัดออกมาก่อนวันนั้นนะ่ะเป็นงานสุดท้ายเลยนะวันนั้นนะงานสุดท้ายว่าโอ้โหอันนี้เป็นอุปกรณ์สอนทำอย่างดีเลยนะอะแล้วก็ได้ความหมายลึกซึ้งด้วยอ๋อไม่นี่เนี่ยตันหาคือรากไงลําต้นคือตัวทุกข์กอ่ะตัวทุกข์เพราะมันมีตันหาเป็นนั่นแหละตันหามันค่อยคว้าหาเงินหาทองหาข้าวหาของแล้วขณะที่สแสวงหามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะ มันก็ทุกแหละใช่ไหมอันนี้ก็ไปต้นออกมาเป็นทุกขทุกเป็นต้นของมันทุกตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรลูกกับนามใช่ไหมกิ่งก้านสาข า, าก็แยกออกไปลูกกับนามเป็นทุกขนะถ้าหากว่าอรูปนามไม่ทุกขก็หมายความว่ามันไม่มีพวกนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างทึ่งๆอนี้อันนี้มันมีที่ไปที่มาทั้งหมดอวิชาตหาฏบุทานกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยอ่านั่นแสดงว่าได้ดวงตาความจริงนะอริยสัจสเนี่ย ทุกข์กับสมุทัยเป็นเหตุนิโรธกะมมักเป็นผลทุกข์กัสมุทัยเป็นรูปนิโรธกามมักเป็นนามในสติปัฏฐานสีเหมือนกันกายกัเวทนาเป็นเหตุจิตกะอารมณ์เป็นผลกายกับเวทนาเป็นรูปจิตกัอารมณ์เป็นนามเป็นเรื่องของเหตุผลเท่านั้นเองแล้วก็กามาเป็นรูปเป็นนามกายเวทนาเป็นเกิดจิตกะอารมณ์เป็นดับใช่ไหม ทุกสมูทยัยเป็นเกิดนิโรธกรรมักเป็นดันนกดทุกสมูทยัยเป็นรูปนิโรธกรรมักเป็นนามเนี่ยสรุปแล้วมันมาลงแค่สองเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจับไอ้เรื่องนี้ให้ดีจับเรื่องรูปเรื่องนามให้ดีเริ่มเมื่อเราเข้าใจธรรมะเราก็ยิ่งขยายปัญญาเราเกิดก็ยิ่งขยายกว้างออกไปจากทำสองประการขยายเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันได้ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราจะขยายได้กว้างแค่ไหน แต่ถ้าปัญญามันไม่เกิดมันก็รู้อยู่แค่นั้นถ้าคนไหนต้องการไปรู้ปัญญาก็ไม่ยากไปอ่านหนังสือใช่ไหมไปอ่านหนังสือไปอทบทวนแล้วปฏิบัติไปอ่านไปทบทวนไปปัญญาก็กว้างขวางขึ้นตามหลักปริยัติตามหลักปริยัตปฏิบัติถ้าปฏิเวทก็รู้ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ถ้าหากว่าโยมเอาเฉพาะดับทุกทุกดับได้แล้วก็พอเราไม่ต้องการที่จะไป อ่าอบรมสั่งสอนเราไม่ต้องการที่จะไปบอกต่อใครก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนปริยัติพอเราได้ปฏิเวทแล้วใช่ไหมเี mm ่ยเราปฏิบัติได้ปฏิเวทได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าโอ้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมันรู้ธรรมะแล้วนี่นรู้เฉยๆโดยที่ทายทอดคนอื่นไม่ได้มีประโยชน์แต่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอานิสือปรยิยัตมาอ่าน ว, ว่าเออ ที่สภาวะธรรมที่รู้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นหาตัวนี้เป็นอุปทานลักษณะของตันหาเป็นไงลักษณะของอุปทานเป็นไงสตินี้ลักษณะมันเป็นแบบไหนสมาธิลักษณะเราก็สามารถอธิบายราย ล, ายละเอียดของสติสัมาธปัญญาให้คนเข้าใจพอคนเข้าใจปับ๊บคุณก็ปฏิบัติได้นั่นคือประโยชน์ของปริยัติคือสามารถเอาไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงธรรมะแล้วสูงสุดแล้วไม่ต้องไป นั้นวาสนาบารมีเราไม่ได้สร้างมาในทางที่จะไปอบรมสั่งสอนคนอื่นเราก็ไม่ต้องไปนั่นเราก็อยู่สบายๆของเราเมี่อไรก็ทำไปตามเรื่องตามราวแต่ไม่ทุกเท่านั้นเองแต่บางคนมีวาสนาบารมีได้สั่งสมมาทางที่จะต้องไปช่วยเหลือคนที่ไปอบรมสั่งสอนคนเขาก็ขนขวายขนขวายไปอ่านหนังสือไป <c oughs> จดไปจําไปอธิบายไปทําความเข้าใจแล้วก็จะรู้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อ สมาธิกับสติแตกต่างกันอย่างไรสติกับปัญญาเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรนี่เขาก็จะอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นภาพคนฟังก็เข้าใจก็เกิดศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาอยากปฏิบัติเออมันเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นหลักไซยาศาสตร์หรือเป็นหลักที่ไม่มีเหตุผลมีเหตุผลเป็นไปได้คนก็เกิดศรัทธาก็ปฏิบัติตามคนคนนี้ก็สามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้คนรู้ธรรมได้เยอะเพราะสามารถที่จะชี้แจงแสดงเหตุผลให้ เข้าใจแจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกเป็นวัฒนาบาลีของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนได้สร้างมาบางคนไม่ได้สร้างมาแต่ยาจามาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องมาสอนมาอบรมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เรียนนักธรรมเรียนบาลีมามันไดมันเราเรียนเพราะเราอยากจะรู้เท่านั้นเองไม่ได้เรียนมาเพื่อปฏิบัติมาดับทุกข์ดับร้อนอะไ ร, ะไรเลยหรอก สมัยนั้นเราเป็นคนยากจนน่ะจะเข้าเรียนหนังสือโรงเรียนรวยๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เข้าโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเราก็ให้เรียนนักธรรมตรีโทเอกเรียนประโยคหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดอามาสอบประโยคเจ็ดปีหนึ่งไม่ผ่านามาก็เลิกสอบเพราะว่ากรรมกร้ามันขี้โกงเ <c oughs> พราะอะไรพอเราสอบเราก็เปียไว้ใช่ไหมอ้า <c> ว <oughs> พอกาศประกาศออกมามไม่ผ่านไปไงเอาก็เปียขอไปเทียบกับ ฉบวบที่กรรมการตรวจมันไม่ให้ตรวจกรรมการไอเราดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องสอบกันแต่หากว่าไม่ติีเรื่องนี้มาไปถึงประโยชนเก้าเลยนะแต่พอกรรมการไม่ไม่เที่ยงทาอย่างเนี้ยไม่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวไปสอบไม่เสียเวลาทําไมแล้วก็เลิกสอบเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของวาสนาบา ร, รมีเนี่ยเราไม่ได้จงใจสร้างแต่ว่าธรรมะมันสร้างของมันเองนะธรรมะเขสร้างว่าคนคนนี้มันต้องไปแบบนี้นะ คนคนนี้ต้องไปแบบนี้เนี่ยวัสนาอะไรเขาเรียกว่าชะตากรรมของแต่ละคนมันวาดมาแล้วอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับมันนะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไปที่มาทั้งหมดทั้งชีวิตของเราก็ต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ต่างแต่ว่าไอ้นี่วิญญาณมันต่ำต้นไม้พืชผักทั้งหลายเ็าเรียกว่าไบโอใช่ไหมไบโอโลจี Biology. อ่าที่เป็นพืชเาษตรอะแต่พอมันมาเป็นคนเนี่ย มันสูงกว่าไบโอขึ้นมาเป็นบีอิงใช่ไหมเราเรียกว่าเฮลบีอิงสัตว์นรกฮิวแมนบีอิงสัตว์มนุษย์แอนิมอลบีอิงสัตว์เดรีฉาน being, ทรูธบีอิงสัตว์เปรตใช่ไหมเราก็ขึ้นมาเป็นบีอิงทีนี้เราก็ลักษณะที่เป็นสัตว์ชั้นสูงอะฮิวแมนบีอิงก็มาจากไฮบีอิงนั่นเองคือเป็นสัตว์ชั้นสูง เรานี่มันไม่มีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์มีจิตวิญญาณมันมีแค่ห้าเปอร์เซ็นตมันก็เรียกว่าไบโอไบโอโลชีนะเป็นไบโอเป็นเพิ่ใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่อะไรก็ว่าไปดัง <c oughs> นั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้มันมีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นเรื่องของการนึกเดานึกคิดไปเองแต่ว่ามันมีเหตุมีผลรับรองเหมือนกับวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนที่เราเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา วิทยาศาสตร์ทาง น, านมธรรมแต่ว่าถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของโลกไหมว่าเออน้ำนี่ประกอบด้วยอะไรน้ํามันเกิดมาจากไหนแล้วก็ใ น, นโลกนี่มีธาตุกี่ชนิดแต่และธาตุะสมกันนั้นแล้วมันออกมาเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้หมดแต่ทําไมท่านไม่สอน วิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมท่านก็รู้เป็นอย่างดีเหมือนกันรู้ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอีกแล้ววิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันมาค้นค้นต่อจากความรู้ของพุทธเจ้าก็ว่าได้อย่างอันเบอร์ไอน์สไตน์เนี่ยใช่ไหมมันก็ค้นค้นต่อจากพระุทธเจ้าแล้วมันยอมรับพุทธศาสนาอันเบอร์เนี่ยทําไมพพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศเรื่องวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมท่านบอกว่ายิ่งพัฒนาความละเอียดของรูปธรรมมากเท่าไหร่นะมันจะไปสนอง ปัญหาและความอยากของคนได้ลึกแล้วคนจะยึดติดเมื่อยึดติดแล้วคนก็จะไปหลงกับวัตถุเมื่อหลงวัตถุแล้วคนก็จะแย่งชิงวัตถุกันแต่โลกของในโลกมันมีจํากัดใช่ไหมแต่คนในโลกมันไม่จํากัดอะความอยากมันไม่จํากัดอ่ะมันถ้าเกิดการแย่งชิงเมื่อแย่งชิงก็เกิดสงครามเกิดสงครามฆ่าฟันลันแทงแย่ง ทรัพยากรธรรมชาติของโลกมันมีเท่าไหร่มันขูดค้นมาหมดเลยอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมทำสงครามกันเพื่อแย่งทรัพยากรธรรมชาติเพราะมันไปยึดติดวัตถุทำไมยึดติดวัตถุอย่างสมมุติเมื่อก่อนเราใช้รุ่นมือถืออะไรโนเกียใช่ไหมกดมีแต่โทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นอะไรพัฒนาเป็น iPhone iPad พัฒนาเป็นซัมซุงเอสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนก็ยิ่งไปหลงใหลความละเอียดของมันใช่ไหม เมื่อก่อ น, นแค่โทรเข้าโทรออกใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีดูหนังฟังเพลงอะไรอยู่ในนั้นหมดนี่คือความละเอียดของวัตถุทําให้คนลหลงไหลยึดติดแต่เมื่อก่อนนี่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์าอ่านใช่ไหมเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มาอ่านเราไปอ่านในมือถืออย่างเร็เรวนะ <c oughs> เห็นไหมมันมีอยู่ในนั้นหมดดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ขยายความจึงไม่สอนเรื่องของรายละเอียดของวัตถุท่านตัดบอกว่าณสิยาโลกาวัฒนูอย่าพัฒนาวัตถุให้เจริญ นาซียาโลกวัตนนถ้าพัฒนาวัตถุมันเจริญแล้วมันไปตอบสนองกิเลสตัณหาของคนให้มากขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่กี่หมื่นบาทก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้สร้างบ้านขึ้นมาหลังตั้งหลายล้านบาทหลายสิบล้านบาทในนั้นมีสิ่งบริการก่อสร้างก็ละเอียดขึ้นห้องน้ําก็ละเอียดขึ้นห้องนอนก็ละเอียดขึ้น อาหารการกินห้องครัวก็ละเอียดขึ้นคนก็ไม่อยากจะเอวบนจากเรียนไปไหนแล้วที่นี้ใช่ไหมเพราะมันยึดติดวัตถุภายในนั้นอาหาแฟนสวยๆหาสามีเหลอ่ลอๆหาลูกดีๆมาอยู่มันจะไปไหนอยาคนน่ะมันก็ยึดติดเยอะวนก็อยู่อย่างนั้นเลยใช่ไหมจะออกมาบวชก็ยากจะมาปฏิบัติธรรมก็ยากแล้วที่นี่เพราะมันมันออกมายากเพราะมันติดอันนั้ น, กนเกษียณนี่จะหายเรายิ่งทุกข์ละใช่ไหม <c oughs> ยิ่งทุกข์มากขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ประกาศ ลายละเอียดของวัตถุเพราะมันจะทําให้สัมมสัตว์ทั้งหลายในโลกยึดติดหนักเข้าไปอีกแล้วโลกนี้จะกลายเป็นสนามรบเป็นสงครามตลอดกับตลอดกันอันนี้พระพุทิเจ้าท่านว่าไว้นะที่สาเหตุที่ท่าไม่ไม่ประกาศไม่สอนเรื่องเวชาทางด้านรูปธรรมหรือวัตถุธรรมเพราะว่ามันจะทําให้ไปนสนองตันหาเพราะมันละเอียดยิ่งละเอียดขึ้นยิ่งจะสนองตันหาได้ลึกแหลมคมเมื่อก่อนเมื่อเรากินน้ําใช่ไหม น้ำมะนาวน้ำส้มน้ำบวานน้ำผุเผาไมา้แต่เดี๋ยวี่มีสารพัดน้ำพอกินข้าวเสร็จก็ไปหาน้ำอะไรไปหาน้ำกาแฟทั้งทงี้หายอิ่มเลยนะแต่ว่ามันไม่หายหิวเออท่านที่หายหิวเลยนะแต่ยังไม่หายอยาก <c oughs> วันนี้รายติว๋วเลยเอาประกาศไปติดเอาไว้ไม่รู้เขาฟังหรือเปล่าตนาะติดเมื่อวานนึกประกุว่าถูกขโมยเลิกออก <c oughs> วันนี้ไปปิดใหม่เนะี่ยเห็นไหมเออความอยากมันรุนแรงขนาดนั้นนะ่ะขนาดไหนอะ่ะกินข้าวอิ่มแล้วอย่าไปกินกาแฟต่อเอาแต่เราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเพราะมันหายหิวแล้วไอ้สิ่งที่กินต่อไปจะต้อเป็นความอยากใช่ไหมนี่แหละคือความละเอียดของวัตถุมันทําให้คนยึดติดเมื่อคนยึดติดแล้วเนี่ยติดกาแฟก็เป็นโรคหัวใจติดน้ําตาลติดครีมก็เป็นเหตุของให้เกิดอนุมูลอสระเป็นโรค เบาหวานความดันในโลกมะเร็งต่อไปอีกก็เพราะการกินยิ่งการกินยิ่งโรคมากยิ่งโรคมากคนก็หมดสภาพมีแต่ากายแต่ใจไม่สมบูรณ์ร่างกายก็เต็มไปโรคภยัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีศักยภาพาในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขนี่พระุทธเจ้าจึงไม่ประกาศความละเอียดของวัตถุเพราะโลกนี้มันจะกลายเป็นสนามแห่งทะเลเพลงิงทะเลทุกทะเลสงครามท่านจะประกาศตรงนั้นข้ามประกาศอะไร ประกาศนิพพานไม่ได้ประกาศสงครามถ้าประกาศรายละเอียดทางด้านวัตถุนิยมจะเกิดสงครางตลอดไปเพราะคนมันแย่งกันไม่จบคนมีกําลังมากอยากจะได้มากกว่าคนมีกําลังน้อยคนมีกำลังน้อยมันก็ไม่ยอมมันต้องต่อสู้สู้กันไปสู้มาแล้วมันจะเหลือเท่าไรนะในที่สุดท่านก็มาประกาศว่าให้ละตันหาอให้ละตันหาอย่าทำตามตันหาถ้าละตันหาแล้วถ้าหมดตันหาแล้วเป็นยังไง ก็จะไม่เกิดสงครามในใจของเราก็ไม่สงครามต้นกําเนิดก็มาเกิดจากใจของเราเนี่ยใจมันลบ ก, กันระหว่างอยากไม่อยากเอาไม่เอาได้ไม่ได้กินไม่กิน ไ, ไปไม่ไปเนี่ยมันลบ ก, กันตลอดเราจะทําอะไรสักอย่างใช่ไหมมันเริ่มที่ตรงนี้เรื่องคอนฟลิคชั่นคือการขัดแย้งในใจของเรามีตลอดเวลาดังนั้นตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเลยประกาศตรงกันข้ามว่าจะต้องถอนตันหาบัดนี้ ดูก่อนตันหาผู้สร้างเรื่องสร้างราวสร้างพบบัดนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรื่องทาราวทําความอยากให้เราไม่ได้ต่อไปยอดเรือนคือวิชาเราก็ลื้เสียแล้วโค้งเรือนคือขันห้าเราก็หักเสียแล้วนะจิตของเราถึงสภาพที่อะไรจะมาปรุงต่อไปไม่ได้คือถึงวิสังขาร น, นั้นก็ได้แก่ว่านิพานนี่ท่านบอกเอาตันหาออกนี่นิพานปรากฏเลยแต่ที่นี่เราจะ อ, าออกได้นานแค่ไหนอะ ถ้าเราออกได้ทุกวันทุกวันทุกวัน ก, นกน็มันตัดรากพวกนี้เรืยตันหารากของตันหาตัดไปเรื่อยๆมันมีร้อยรากพันรากก็ตัดไปตัดทีละรากสองรากทุกวันทุกวันในที่สุดรากพวกนี้มันขาดขาดเราไปแช่ไว้ตรงนั้นไม่ได้นะใช่ไหมเดี๋ยวมันงอกใหม่อีกทำไงก็ต้องงัดให้มันลอยออกมาจากดินให้ได้แล้วจากดินจะไม่พอไปทิ้งไว้สักระยะมันงอกใหม่มต้องไปล้างเอาดินออกอีกนะมันถึงจะตายสักฮะ อ่าท่าแชร์แรกเลยอ่ะใหญ่ยยประทับใจสงสัยว่าจะไปบูชาแน่นอนเลยตอนนี้นะเอาไปตั้งบนแท่นบูชาเป็นตอศักด์สิทธิ์ไปละนะทีนี้เมื่อเมื่อประกาศนิพพานเป็นสันติภาพท่านประกาศสันติภาพถ้าประกาศเรื่องวัตถุนิยมมันจะต้องประกาศสงครามตลอดพระพุทธเจ้าประกาศตรงมันข้างประกาศสันติภาพสันติภาพก็ได้เห็นนิพพาน นั่นก็คือจะต้องมาดับความอยากแล้วมีใครตามพงค์สักกี่คนนะประเทศอิเดียทั้งอินเดียใช่ไหมมันเอาพุทธศาสนาออกหมดเลยอ่าเหลือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมทั้งๆที่บุรีย่าแต่สรุปมันรับไม่ได้พวกนั้นเขาเป็นาศาสนาวัตถุาศาสนานิยมมาก่อนาศาสนาวัตถุนิยมมาก่อนพวกพราหมณ์อ่ะเขาก็พอมาคำสอนพอมาตกในประเทศเอเชียตะวันออกเสียงใต้โซนภูมิ ไทยพ ม, ม่าเขมยุนราวก็มาได้ระยะสองพันกว่าปีแล้วนี่ตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วใช่ไหมพวกคริสต์พวกอิสลามเริ่มเข้าแล้วพุทธศาสนาเริ่มถูกขับไล่ออกแล้วตอนนี้พวกตะตันตกก็ต้องหาทางเอาพุทธศาสนามาทางตะวันตกแล้วทีนี้เพื่อทางนูนมันถูกทําลายดีนั่นอก น, นกองทหารของอิสลามก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้กองทหารอย่างเดียวนะไปแก้กฎหมาย ในรัฐสภาเดี๋ยวนี้ในรัฐพามีแต่นักกฎหมายอิสลามผู้แทนอิสลามเพราะอะไรผู้แทนไทยผู้แทนเราของเรานี่พู้แทนเราของเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอิสลามมาเนาะ no? เป็นพูดอยู่นะอผู้แทนไทยของเราเพราะมันมีสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาก็เอาเงินไปจากทางบูรณาทางตทวออกกลางเนี่ยไปซื้อสสมันจะผ่านพรลบ อ, รอะไรที่ธรรมกายไม่ยอมเลยธรรมกายเขาติดตามตลอด เพราะฉะ้นก็เล่นงานธรรมกายเส้น ง, งองพรรามเลยเห็นไหมธรรมกายแทบจะลุกไมขึ้นอ่ะออิสลามอยู่เบื้องหลังเรื่องเอโดนทําลายเกือบจะฟื้นไม่ขึ้นเลยเพราะว่าไ ป, ไปอ่าประกบการทํางานเของอิสลามตลอดธรรมกายเขารู้ว่าเป็นภัยต่อพูทธศาสนามันก็นตีกับธรรมกายเสียให้ไม่ฟื้นอ่ะตอนนี้ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าถูกทําลายเมื่อเขาทํำไรธรรมกายได้มหาเทระสมาคมเป็นไงเหลือไหม ก็ไม่เหลือมันก็ไม่กี่ปีข้างหน้าก็หมด น, นั้นดูไปกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการแย่งชิงผลประโยชน์ของโลกนะแย่งชิงประชากรแย่งชิงศาสนิกกันเพื่อที่จะครอบครองอะไรครอบครองแหล่งวัตถุเพราะเมืองไทยเมืองลาวเอเชียตะองใต้มันเป็นแหล่งอาหารแต่คนอิสลามใสียให ญ, ญ่เขาอยู่ตัองวัดออกกางเขาไม่มีแหล่งอาหารใช่ไหมหมันก็ต้องไปล่าอานณาณิคมมึงขึ้นทางด้านที่แหล่งอาหารสมบูรณ์เขาก็ต้องมายึดเอาพวกนี้เข้ามา เขาก็เอาเงินขายน้ามันในตะวออกลกางไปซื้อวัตถุอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วไม่ใช่เรื่องศาสนาแล้วนะ <laughs> นอกเรื่องนะเอ่อ <laughs> นอกทางแล้วนั้นเตือนกันด้วยเตือนกันด้วยนะหลวงพอมันมีไฟอยู่นะอือเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักษาพุทธศาสนาไว้อย่างเข้มแข็งแล้วทางยุโรปเองก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยใช่ไหมกาลังถูกลุกเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามอามาคิดว่าอย่างนี้ว่าในเมื่อพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยโลกนี้นไม่จะอยู่ไม่ได้ไม่ต้องเกิดสงครามสงครามล้างโลกเกิดขึ้นเลยแหละเ<น>พราะอะไรเพราะเออเพราะใหญ่ติดอารมณ์เะนินคำว่ารักษ า, าศาสนาไว้ให้ให้เก็บแก่ครับจะรัษาอย่างไรคิดว่าคนต้องให้ต้องให้มีวิชาการอ่าวิชาการอ่าวิชาการนัน่นฮักแก้วฮัแกแก้วเพราะว่าสาวพุทธศาสนิกระนาวมันมีแต่ พอเป็นทะเบียนบ้านพอเป็นทะเบียน <ทะ S 1> เบียรียกว่าพุทธสาวพุทธตามสำโนครัวนะโไม่ใช่สาวพุทธแท้จะสราง ม, <c oughs> มันจะที่ลำบากอ่ามันก็จะต้องต่อสู้ล่ะสมัยที่มาเข้าใจทำเข้าใจธรรมะใหม่ๆมาไปถามหลวงพ่อเทียนอ้าวหลวงพ่อถ้างั้นเมืองไทยเรามีพุทธศาสนาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเต็มในบ้านในเมืองเราเต็มไปด้วยเครื่องกลางของขังศักดิ์สิทธิ์พระลูกพระเหรียญไม่เห็นใครปฏิบัติวิปัสสนาจริงจัง การทําความทุกข์ให้สิ้นไปอย่างจริงจังมันไม่เคยมีเลยเพราะจะมีกี่เปอร์เซ็นตท่านบอกไม่ถึงสองปอเซ็นโอ้โหนั่นหมายความว่าร้อยคนเนี่ยคนที่เป็นผู้แท้แท้ไม่ถึงสองคนน่ะน่าเศร้าขนาดไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เช่นเดียวกันจะต้องระมัดระวังว่าเราหนีตายมาแล้วผู้ผู้นําของเราก็เรียกว่าแย่งวัตถุนิยมกันในที่สุดเราเป็นฝ่ายเพียงพําแพ้เพราะเราก็ต้องหนีมาที่นี่ใช่ไหมเห็น ไ, ไหมเพราะนี่คือวัตถุนิยมอ่ะ ศา ส, สนาสู้ได้ไหมเราก็ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะทําไง mm hmm. ก็อามาก็บอกว่าในเมื่อโลกนี้มันจะเป็นสงครามแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดอยังไงคือฝึกปฏิบัติให้จิตของเราพ้นจากกิเลสเมื่อจิตของเราพ้นจากกิเลสแล้วเราจะอยู่ก็ได้เราจะตายก็สบายไม่กลัวไม่โกรธแก่ไม่โกรธเจ็บไม่โกรธตายศาสนาจะสูนจะสิ้นไปเราก็สบายเพราะอะไรเพราะใจเราหมดทุกข์แล้ว น, นั้นก็คือเข้ามาถึงการดับสมุทยัยคือความอยากเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดปัญหาอะไรขึ้นในโลกจะไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรกับเขาเล่งปฏิบัติตัวเราเองพอเราไปวีตกทุกข์ร้อนอะไรเขาเราไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาสร้างกรรมกันมาไม่รู้กี่ภพกีศาชาติเราจะไปแก้ไม่ได้มีทางเดียวเราจะต้องเอาตัวรอดคือสร้างวิปัสนาใส่ใจเมื่อใจของเราสามารถควบคุมดูแลได้แล้วเนี่ยเหตุการณ์เลวร้ยวายอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่มีตัวกังวล แล้วก็ประคับประคองใจแล้วก็คนอื่นเขาวิตกทุกข์ร้อนก็ช่วยเข้าไปแต่ใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็รอดอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมท่านบอกว่าขณะที่เรารู้ว่าฝนใหญ่จะมาน้ําใหญ่จะมาน้ํามันจะท่วมเนี่ยคนทั้งหลายก็หนีตายกันเราทําไงเราก็รีบหาเรือหาแพอพอได้เรือได้แพน้ํามันจะมาใหญ่หลวงขนาดไหนใช่ไหมเราก็มีเรือมีแพของเราเรารอดละทีแต่เราต้องสร้างเรือสร้างแพใหญ่ๆ ห, หนะ่อยเพราะอะไร พอพายไปเดี๋ยวเขาโดดขึ้นมาเรือมาหลายลำเราก็จมไปกับเขาด้วยนะอ่ะฮะถ้าเรือเราเล็กๆกันะถ้าหากว่าเรือเราเล็กๆล้วเราพยายามที่จะให้คนอื่นมาเกาะก็ไม่ไหวไปไม่รอดเหมือนกันดังนั้นก็ปฏิบัติเยอะๆเราจะได้เวลาพ่พอแม่พี่น้องของเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมืเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยวิกธีการเกิดขึ้นหรือเขาแ่านี้เขาจะเป็นทุกข์หนีตายกันเราก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวะบ้านเมืองอดอยากลบพุ่งกันเนี่ยพอเราไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาใช่ไหม แล้วก็คนนั้นมีแต่คนตก อ, อกตกใจร้องไห้สูญเสียลูกสูญเสียสามีภรรยาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียที่ดินที่ดอนน่ยอยู่ไม่ได้แล้วแต่เราเฉยเฉยพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นลูกเป็นนาไม่ใช่นาของเราไม่ใช่ไรของเราไม่ใช่ทรัพย์ของเราทําใจได้ไหมไอ้ติว๋วทํำใจได้แบบนั้นได้ยังแล้วก็ตอบทันทีไม่ได้หรอกอ๋อหลักมันห ล, ลั ก, <c oughs> ลกมันลึกนะหลักมันลึกนะก็ ต้องพยายามนะไม่มีอะไรเหลือความพยายามเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าเมื่อรู้ทั้งรู้ว่าในโลกนี้มันจะเกิดปัญหาเราก็ไม่ไปตกทุกข์ร้อนหรืเขาหรอกเรารียปฏิบัติแต่ถ้าคุณรู้ว่าโลกนี้มันกําลังขวิดปัญหาเกิดสงครามคุณก็ยังประมาทไม่ยอมปฏิบัติเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วเนะี่ยคุณจะต้องทุกขนาดหนักแล้วไปโทษใครอ่ะใช่ไหมเพราะในช่วงที่ภัยไม่ถึงตัวนี่คุณประมาทไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วคุณจะไปปฏิบัติทันไหมไม่ทันน้ํามันมาถึงแล้วคว้าหา เรือหาแพตรงนู้นนี่ไม่เชอแล้วมันเจ้าต้องเตรียมไว้ก่อนเตรียมก่อนที่น้าจะมาถึงต้องเตรียม เ, เรือดื่มแพไว้พอน้ำมาถึงปับ๊บเราขึ้นเรือขึ้นแพมัจะไปไหนไปกันน่ะมันก็ไม่จมดังนั้นทางออกมีทางเดียวคือต้องรีบปฏิบัติวิปัสนาวิปัสนาคือทางรอดน่ะตามที่เขาบอกว่าเมื่อน้ําท่วมโลกแล้วมันจะมีเรือใหญ่มารับใช่ไหมพระเมชพระเบซิอาเนะี่ยหรือพระ เสียได้ไม่ตายจะมารับเอาเรือมารับเรือสี่ลำนะเรือสี่ลจำจําได้ไหมใครรู้ใครดูเรื่องไอ้มาหาญาะของโลกอะ่ะเรือสีล่ลำหรือสองลำเรือสีล่ลำจะมาช่วยเราเรือสีล่ลำคืออริยสัจสีสติปัฏฐานสีนั่นเองต้องรีบปฏิบัติสติปัฏฐานสีอริยสัจสี่ให้ได้เขาจะเป็นเรือเป็นแพให้เราลอดพ้นจากภัยพิบัติของโลกหมายถึงอย่างนั้น ไม่ใช่เรือจริงๆอ่ะเรือจริงๆมันจะอยู่ได้อะไรเรือสีลำคือกายมาพึ่งกายมาดูกายมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมด้วยใช่หลักทุกสมุทัยนี่ร้มรคนี่คือเรือสีลำฮะเรือเรือชื่ออะไรนะเรือชื่อโนอาเรือโนอาใช่ไหมอ่าโนอาเขามาจากน้อยอย่างเงี่ยเขามาจากโนเลดใี่นะมป็นวารู้ใช่ไหมล่ะอเรือคือตัวรู้คือโนอิงเนเรือโนอาเนี่ยนเนาะ แต่มันเป็นปิศนานิดๆแต่เราตีไม่แต่งไงเราก็เลยคิดไปเรือเรื่องชื่อว่าเรือโนอาใช่ไหมล่ะอ่านั่นะคือก็เราก็เจะต้องอาศัยเรือคือความรู้สึกตัวโนอาโนอิ้ง knowledge อันเดียวกันนะดังนั้นเราก็ไปสร้างเรือดิสร้างตัวรู้เนี่ยคือสร้างเรือเมื่ออะไรเกิดขึ้นปับ๊บมันรู้เท่าทันปับ๊บมันก็ไม่ไปยึดมันถือมันใช่ไหมก็สลัดไปแต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อแล้วกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหูมันวิตกทุกแล้วเดือดร้อนวุ่นวายสับสนไปหมด เราจะทำาไงใจเย็นๆมาที่นี่นั่งลงสร้างจังหวะสอนได้เลยนะ เ, เดินจงกรมสร้างจังหวะอะไรเกิดขึ้นช่างวันมีค่าให้สู้กินมีที่อยู่ให้สู้นอนแล้วนั่งสร้างจังหวะทำใจให้เย็นๆนี่หมายความว่าเราได้สติไม่ใช่เราจะวุ่นวายกับเขาไปด้วยนะแสดงว่าเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันใช่ไหมปฏิบัติทำนั้งนนอะไรเกิดขึ้นก็พึ่งตัวเองไม่ได้เสียหมดเลย เนีเสียเสียเวลานะดังนั้นรุ่นนี้ต้องไปสร้างตัวูให้ใหญ่ให้ได้สร้างเรือรู้อะไรรู้สี่อย่างเรือเสียงรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเอามาประกอบกันเข้าเราก็มีเรือใหญ่เป็นที่อาศัยภัยมันจะเกิดไม่เกิดไม่สำคัญเกิดเราก็พร้อมมีเรือที่จะลุยไม่เกิดเราก็มีบกที่จะอยู่ เมื่อภัยน้ำํำท่วมเกิดแล้วก็มีเรือที่จะใช้ไม่วิตกุ้กร้อนเลยนี่คือทางลอดของเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรอให้ปัญหารอสงครามมันเกิดไม่ได้เราต้องทําที่พึ่งทําทางรอดให้ตัวเองไว้ก่อนนั่นคือทําวิปัสนาทําวิปัสนาคือทําเรือทั้งสี่ลำนี้ให้สมบูรณ์ทําสถิปติฐานสีให้สมบูรณ์ทําอริยสี่ให้สมบูรณ์ทําแค่นี้แหละแล้วเราก็ปลอดภัยนะใครวิตกทุ้กร้อนอะไรมาก็เอา ทุกวันแล้วกลับไปแล้วนะไปทําห้องพระที่บ้านของตัวเองถึงเวลามาปั๊บไปทําวัดสวดมนต์นั่งปฏิบัติวันะชัโมงทีนี้ลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องคนที่มันมีบุญกุศลเขาจะสนใจมานั่งกับเรามาปฏิบัติกับเราแต่คนมันยังมีบาปมีอกุศลอยู่มันไม่สนใจก็ช่างมันอ่าก็ช่างมันเพราะชวนมาสร้างเรือชวนมาต่อเรือแต่มันไม่ต่อ เมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นช่วยไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะอ่าแ <c oughs> ม้ จ, จะไม่เกิดสงครามโลกกระดำแต่อาจจะเกิดการวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมเกิดรุ่เร็วเกิดสงครามกลางเมืองเกิดข่าเกิดฟันกันย่อยๆซะก่อนก่อนที่มันจะสงครามโลกมันจะเกิดพวกเย่อย่านี้ซะก่อนมันก็เลยมีปัญหาล้ใช่ไหมอ่า ก็เรียกว่าลบ ก, กันบ้านนู้นคนข้างบนหนีเข้าบ้านนี้ลบอับ น, บ น, นนี้บนอันนี้หนีเข้าไปกันหมดอย่างคนใช่ไหมแล้มันดอกคนกลีคงีิคงอะไรต่างๆเนี่ยที่หลั่งไหลกันเข้ามาเนี่ยคนซีเรียเนี่ยใช่ไหมออก็กอการกร้ายไปทั่วเลยทีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักรู้อะดัง <c oughs> นั้นเองลุงพ่อครับฮะเขาเห็นมาเด็ดเจ็ดมื่นเนี่ยมันจะหลอดเพราะคนหลอดต่อทบ่อกให้เอาไปต่อ เอามาบอกวิธีต่อเรือให้เท่านั้นต้องไปต่อเรือที่บ้านแน่มันเป็นลอทํามาเจ็วันนี่ไม่ใช่มาสร้างเรือนะแต่มารู้วิธีต่อเรือแจวเามาเรือที่เป็นลำจากที่นี่ไม่ได้กลับไปบ้านต้องไปสร้างเรือเ อ, เองนะรอดไม่รอดก็จะรู้ด้วยตัวเองเลที่นี่เนะี่เอามาถึงบอกว่ากลับไปบ้านไปสร้างอู่ต่อเรือคือไปสร้างห้องพระขึ้นมาห้องหนึ่งมีทางทางทาง้องโถมมีทางใครไม่ทําเราทํามีอยู่สามบ้านมันเลิกสร้างบ้านไหนอ๋อสามบ้านหลายบ้านดิ เดินมันทั้งสามวันั่นเลยนะ <c oughs> ลู่ลู่หนาวเดินวันนี่ลูู่ร้อนเดินวันนี้ลู่ลู่ฝนเดินวันนี่แซวแน่สิบสองท่าแ <5 S 2> น่ <5 S 2> น่ <4 S 2> น, <4 S 2> นลืมแล้วยังไม่เท็ดทางถึงบ้านเลยนะอะจากส <c oughs> ิบสี่เหลือสิบสองเล่านะได้ลองเฮ็ดบ้างเหรออ๋อทาทาอิเลียบดพิธีเปลี่ยนอิเลียบดสิบสองนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดสร้างจากว่าสิบสี่ไอโซกันเปไก่เวลาเหลือหน่อยแล้วอืเอาสิเดาบอกไว้ ก็ไปบ้านนี่ต้องไปหาวิธีห้องส่วนตัวให้ได้หามุมใดมุมหนึง่งในบ้านนอกบานก็ตามพอถึงเวลาปับ๊บเขาต้องมีสัญญากับเจ้าของว่าเมื่อนี้เขาจะปฏิบัติจักเถือ่อเราจะใส่เวลาเท่าไหรสัญญากับเจ้าของเสียก่อนเมื่อกันถ้าโบตั่งสัญญาโบตั่งสัจจะอธิฐานวันนี้มันมั่นโบอเอาได้กี่เลรนนะ่ะมันชันแล้วไปนแนวอื่นเขาต้องตั้งสัจจะอธิฐานเด้ดขาดเป็นตายไล่ดียังใดเนี่ยเมื่อนึงคุณต้องเข้าปฏิบัติ บอสเธอเลยก็สองเธอเธอละชั่วโมงด้วสองชั่วโมงโอ้หลายไปดิโอแค่ชั่วโมงสองร้องอูเลยว้ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่หรนี่ะห้านาทีสิบนาทีอ้าวไ่ได้อ่ะตอนแหลงเอาเริ่มสักสิบนาทีซะแค่สิบนาทีจซื้อนี้มันจะมันจะเสียหายยังเอาถ้าได้วิชาต่อเรือไปแล้วเนี่ยกลับไปบ้านบอสไปต่อเรือเนี่ยเอาเวลานําลังทางไทยมาเนี่ยอย่าเอาเลือใสไปโทษผู้ใด โบดได้เด้ไปขอเลือกไม่ออกพขอไปน้าแน่เจ้ามีเรื่องไงไม่ออกจะให้ไปวันนะึงผู้ใดไม่ออกคนสร้างเรือใครเรือมันถ้าหากว่าได้เศ้าสองชั่วโมงแรงสองชั่วโมงแห่งกดีเรือแห่งเราไว้ถ้ามื่นชิฟนาทีห้านาทีครึ่งชั่วโมงเรือแล้วนี่ปีนึงไม่ใช่แล้วว่าให้วันนี้โบแล้วถ้าเป็นเรือใหญ่แห่งไปมันก็จะเหลือสักสี่นาทีหานาทีใช่ไหม <c oughs> ถ้าตั้งไว้สูงนี่มันจะเที่ยลงเที่ยวลงนะ ให้ตั้งไว้สักห้านาทีก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นวันละนาทีถ้าปีหนึ่งมันจะเป็นชั่วโมงหนึ่งนะแต่ถ้าตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเราไปจะลดลงวันละนาทีนาทีมันจะเหลืออยู่ปลายทางก็จะเหลืออยู่ไม่ถึงไม่ถึงนาทีละเพราะฉะนั้นต้องฉลาดในการตั้งรอใจของตัวเองเสียก่อน่รอใจโอ้ทำห้านาทีเอาอีกหน่อยนะเพิ่มสิบนาทีใช่อ่าเผื่อวันพรุ่งนี้ เผื่อวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันไม่มีเวลาห้านาทีวันนี้มีเวลาเยอะหน่อยเผื่ออีกชั่วโมงหนึง่งพรุ่งนี้เผื่อว่ามันเหลือสักสิบนาทีเวลามไม่พอเนี่ยใช้วิธีแบบนี้เพ่ออย่าอดัดอ้าวเมื่อใดเมื่อใดเวลาหลายกระเพื่อไว้ได้หลายเมื่อใดบุญไม่เวลามันก็ทดชดเชยเกิ น, นไปเม่นบอชดไปทษมากประวัติโลบกบุเป็นทาได้เนออันที่โลกอันนี้คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นอาจารมาก็พาพระพาโยมทําทุกวันมาก็ได้ทําไปด้วย นั้นวิธีการปฏิบัติของโรบเทนดีอย่างหนึ่งคือว่าไม่ใช่บอกให้โยมแล้วให้โยมได้ไปปฏิบัติแต่มาไม่เอาไม่ได้นะเอามาก็ต้องได้มากกว่ามาทําได้เยอะกว่าและทําได้ถูกกว่าใช่ไหมก็ได้เยอะกว่าโยมเดินสักห้าชั่วโมงเอามาเดินสองชั่วโมงเอามาได้เยอะกว่าพราะอะไรพราะรู้จักวิธีจับวิธีเดินวิธีคือคนหางเงินเป็นอะใช่ไหมหาแค่เวลาเน้น้อยก็ได้เยอะแลละแต่หางเงินไว่เป็นหาทั้งวันก็ได้เท่านี้นะอันนี้คือกันเพราะฉะนั้น ในวิธีการเขียนมันวิเศษอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์ไม่ใช่ไปสอนแล้วก็ปล่อยไปทํานะครูบาอาจารย์ยิ่งทําก็เยอะก็โยมอีกเอาชีพปฏิบัติเป็นอาชีพปฏิบัติทำบ่หลวงพ่อคำเขียนว่าต้องทําเป็นอาชีพถ้าไม่ทําเป็นอาชีพแล้วพึ่งไม่ได้เหมือนกันทุกคนก็ไปเปลี่ยนอาชีพใหม่อาชีพอะไรอาชีพวิปัสนาเป็นอาชีพที่เก๋และเท่มากนะในสมัยใหม่นะอ่ใช่เดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนงานแล้วนะงานอะไรเธอ งานวิปัสนาเอาไปเขาไปทำตรนไหนก็ตอนที่ทันทํางานทันวิปัสนาไปด้วยก็ได้นะจะจับจะฉวยจะบวยจะบายอะไรต่างๆเนี่ยทันก็จับไปรู้สึกตัวทําอะไรรู้สึกตัวทุกขณะ <c oughs> เพราะอยากว่าถ้ามีมีเวลาทํานะเวลาขับรถพวงพวงอะไรนะรู้สึกตัวนะ <c oughs> ไม่ใช่สูบบุหรี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นน ะ, <c oughs> ะต้องพวงจับ <c oughs> พวงอะไรเพราะนั้นต้องทําให้ได้ถึงแม้ว่าไม่มีเวลาทําที่บ้านก็ในที่ทํางาน นะค่อยจับค่อยแต่ต้องตั้งใจทำตั้งเจตนาให้เด็ดขาด น, น ะ, <ล>ะไม่ใช่ว่าพ <ละ S 1> <ท>อทำงาน ด, ด, ด้วยรถไฟเนื่น อ, อ, อว่านัน่งรถไฟซูมือเขาว่านั่งรถไฟปีไปทั่วร์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพอ่อกล่าวมาทั้งมมดสรุปเป็นที่เด้อสรุปว่าเขาจะต้องเจริญสติปัฏฐานซีให้เป็นอิสัยทำเป็นอาชีพและสติปัฏฐานซีต้องเจริญพร้อมไปกับอริยสีถูกสมมูทให้ดูไปนั่งกัน และทั้งอย่างย่อเหลือ2คือน้ําสมุติกับปรามาติเกิดกับดั บ, ดบอ่าเอาแค่นี้เอาแค่สองยังนะบ่เป็นหกยางนะสองยางนี่มันขยายไปนะรูปน้ําขยายเป็นสมุติปรามาติสมมุติปรามาติขยายเป็นการเกิดดับการเกิดดับในกายเวทนาจิต3ระดับนี่เขาเหตุเอาได้แต่ระดับที่สคือเกิดดับของอารมณ์เนี่เป็นเวลาสุดท้าย เกิดย่ำใดก็ได้อันนี้ไปไปเฮ็ดเอาโบาได้แต่ธรรมชาติมันจะหามากแต่หนึ่งสองสามนี่เฮ็ดเอาได้แต่อันที่สีนี่แล้วแต่ปัญญาวาสนาเข้าถึงบ่เพราะว่าถ้าไปหูการเกิดดับระดวีซีระดับอารมนี่หมายความว่ามันขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ได้ละอ่าถ้าว่าการนั้หูการเกิดดับเฉพาะกายเวทนาจิตนี่เป็นโซดาชีนะคะนะค่าได้ละเพราะนั้นต้องไปเขา้าเข้าไปถึงกุนันจากการเกิด หุ่จักรลูกจักน้ำการเกิดดับของลูกของน้ำหุ่นจักเวทนาการเกิดดับของเวทนาหู่จักจิตการเกิดดับของจิตหุ่จักการอารมณ์หู่จักการเกิดดับของอารมณ์ตามลําดับไปตอนแรกเราหุ่นจักการเกิดดับของกายนี่เสียก่อนเนี่มันหลุกมันนางมันย่างมันเดินมันเกิดดับออกว่าเป็นยังไงเกิดออกมาเป็นนักเป็นน่วงเป็นสบายบริสบายเป็นเย็นเป็นอ่อนเป็นฮ้อนเป็นแข็งเป็นเกิดแล้วกเข้าไปบําบัดมันบําบัดเยื่อหน่อแข็งขึงตึงไว้เนี่ยให้มันหายไปมันกระดับ เห็นการเกิดดับระดับหยาบๆหนึ่งเียก่อนเอื่อมาการระดับระดับสมุดให้ดับสมุติให้เห็นระดับสมมุติไปก่อนสมุดว่านนะแต่มันก็เหมือนของจริงนั่แหละแต่ย้ำหน่ถ้ามันมันคงมันเป็นนิสัยแล้วอันนั้นเป็นปรามัดแล้วแต่ถ้มันโบท่านเป็นนิสัยก็เอิ่อสมุติอยู่พราเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันจำเดี๋ยวมันลืมสมุดแต่ถ้ามันเป็นปรามัดปรามัดนั้นมันโบลืมก็เขียนหนังสือเขียนไมไม่เนี่ยบางคนเขเขียนถึอขินพิดเนี่บอเขียนสมือสมือเป็นอย่างไงโดนมา ไปของมันเองเลยนี่เป็นปรมาจแล้วตอนแรกว่าสมมุติคือเขียนซ่าๆไปใช่ป้เพราะมันจําได้มันเป็นปรมาจาแล้วอันนี้คือการรูปน้ำเพื่อกันตอนแรกเมื่อท่านเป็นปรมาจารเท่ากับนึกเรื่อเรืดูดูลูกดูดูตั้งใจดูดูจนกระทั่งว่าเห็นดูเข้าไหลเข้าไหลเข้ามันกลายเป็นนิสัยแล้นั้นเป็นปรมาจารย์แล้วเพิ่งได้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นมันโมยากเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องเข้าใจนะเพราะนั้นตอนนี้เหลือเวลาหานาที ลูกขึ้นด้วยจุกุมสักรอบนึงก่อนน่งมาโดนแล้วเนาะอ้ามุทนาสาธุ